ขอความเจริญในธรรมจง ม, มีแท่านทุกฟังทงั้งหลายใต้ร่มพระพุทธญาณในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องศีลอีกในยะหนึ่งคือเป็นการพูดศีลในลักษณะเป็นคู่คู่เพื่อเป็นมารเป็นเป็นเครื่องวัดว่าพัฒนาการทางกายวาจาของเราเวนี้อยู่ในระดับไหนก็อย่างที่บอกไว้ว่า หลักธรรมในทางพุทธศาสนานั้นบางคราวก็เป็นเรื่องของการชี้บอกเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่แล้วในโลกแต่คนเลือกดูว่าเราจะอยู่ประเภทไหนและเวลาเนี้ยถ้าอยู่แล้วเนี่ยเราอยู่ระดับไหนู่ที่หนึ่งเรียกว่าจาริตรศีลคือศีลที่ศีลนี้ควรแก่กับการประพฤติตามสิก ข, ขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบััตไว้ว่าสิ่งนี้ควรทา อะไรก็ตามที่ทรงแสดงว่าควรทำเราก็ทำตามที่ทรงแสดงไว้ตอนการตัดสินปัญหาเหล่านี้บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้กระแสะโลกแต่มายังงึกษ์ขำตัวเองเนะตอนบวชไปใหม่เราก็อยู่บ้านนอกไรปืนเที่ยงเยอะมีคนแก่เขามาบอกว่าเป็นพระนี่ไม่ได้นะต้องเคร่องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่าขนาดเดินเงาทับกับผู้หญิงก็ต้องอาบัดในเราก็สยองเลย ตกใจโอ้โหตายแล้วทําไมขนาดนั้นล่ะมันต้องเข้าไปค้นคว้าศึกษาสอบถามเลยว่ากอบมันอยู่ขนาดไหนเดี๋ถ้าอย่างนี้เราคงไม่ไหวแวนะ่น่ะแล้วก็ดูแล้วก็ไม่มีเหตุผลเพราะในะความความคิดความเชื่อเฉยๆนี่มันมีอยู่เยอะเลยแล้วถ้าเราไปเจริญเ ต, ติบโตอยู่ในแถวตรงนั้นถูกครอบงำด้วยความคิดอย่างนั้นเ่ แล้วบางทีพวกเคร่งเช่นสมมุติว่าอะไรสมมุติว่าอง์เนี้ยจะกินหมากหรือจะสุบรี่อะไรก็ตามนะฮะแต่รอกว่าเขประเข็ท่านแล้วแล้วก็ท่านกำลังกำลังถืออยู่หรือกำลังอะไรก็แล้วก็วางเนี่ยถือว่าขาดประเข็แล้วต้องประเข็ใหม่หรือวางบางทีก็บอกว่าเช่นจีวรของรูปเนี้ยเป็นนิสกีแล้วถ้า เอาไปตากไว้ในสายระเบียงยาวๆนะตับเลยวายแล้วโดยเหล็กยาวๆนะแล้วก็พระอื่นไปตากเนี่ยเป็นนิสกีหมดอย่างเงี้ยคืนนี้เราจะเห็นว่ามันมีความมุงมาอยู่เยอะเลยมันเหตุผลแบบเทนสองบาทเพราะนั้นก็ต้องศึกษาสำเนียกว่าอะไรที่ควรทําหรือไม่ควรทํามันไม่ได้ว่าใครว่าอย่างไงแต่ว่าพระเจ้าว่าไว้อย่างไงเวลานี้ถ้าเราสังเกตเวลามีการประชุมพระอะไรต่ๆเนี่ยคือสิ่ิที่น้าเป็นห่วง เกือบมาตามปกติไม่ค่อยได้ประชุมเพื่อฟังนะฮะประชุมเพื่อพูดเสียมากกว่าเราเลยก็ไม่มีโอกาสค่อยสังเกตอะไรในเรื่องเหล่านี้แต่บางโอกาสที่ไปสมทบฟังกับเขาแล้วก็เห็นว่ามันมีแนวอาจริยว่าเกืออ้างว่าถ้าอาจารย์อาจารย์คนนั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์คนนี้ว่าอย่างนี้อาจารย์คนโน้นว่าอย่างโน้นอย่างนี้ก็ตายเลยมันจะไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรมันเป็นหลักกูหมดเลยไม่มีที่หลักของพระพุทธเจา้า ดและในที่สุดเนี่ยต่างคนดังก็เชื่อถือว่าตัวเองปฏิบัติถูกต้องแล้วกลายเป็นความแตกแยกในด้านศีลในด้านทิฏฐิพรนะวิธีการที่ถูกต้องแบบพูดเนะ่ยไม่ว่าจะพูดศีลไหนก็ตามถามว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรและแสดงไว้ที่ไหนมีข้อความว่าอย่างไงมันต้องมีที่ไปที่มาชัดเจน แล้วต้องทําความเข้าใจตรงนั้นให้ชัดนะบางครั้งเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยทรงแสดงแก่วุฒิภาวะพระที่มีวุฒิภาวะสูงถ้าก็รับสั่งอย่างนั้นท่านก็เข้าใจแล้วเราก็เกิดไกลจากพระองค์มานานบางทีเราก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องศึกษาสอบทานซึ่งมีหลักการอยู่แล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าในสิ่งกคำว่าควรหรือไม่ควรพูดเฉพาะสิ่งที่ที่ควรก่อนนะควรประพฤติปฏิบัติกระหมวามพระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าควรสิ่งนั้นก็ควร ยันในกรณีของการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์อธิกรณ์ของสงฆ์ซึ่งมันมีความสลับซับซอ้อนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทรงนํำทำไว้แล้วคือซับซอ้อนนี่ใช้รูปแบบใดแบบหนึ่งไม่ได้ใช้แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้มันต้องใช้แบบผสมเช่นสมมุติเรื่องนี้มันเกิดสลับซับซ้อนเหลือเกินแล้วปัญหาคาราขัดสั่งยเยอะมากมันก็ต้องใช้หลักการลหลายๆหลักการ แต่ตรงนั้นนะใครจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสิ่งที่ควรเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงนํำทำมาด้วยพระองค์เองแล้วก็ส่งบัญญัติเอาไว้นะฮะทรงสั่งสอนไว้ว่าเรื่องนี้ควรพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอภิสมาจารย์เป็นบรรญาตกฎเกณฑ์ต่างๆระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติได้เหมาะสมแก่สถานะของเราการาเทศะบุคคลกลุ่มคนที่เราก็ไปเกี่ยวข้องอีกจุดนึงเขาเรียกว่าวาริตตสีล คือศีลที่ไม่ควรประพฤติเป็นข้อห้ามไม่ควรประพฤติถ้าหมายความประพฤติแล้วก็ผิดผิดแล้วก็เป็นมีโทษตามบทบัญญตัติที่ท่านบอกว่าพุทธบัญญัติและอภิสมาจารสองอย่างนี้รวมเรียกว่าพระวินยัยทีนี้การละเมิดพระวินัยทั้งสิ่งที่ควรและไม่ควรเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่บอกว่าควรแต่เราว่าไม่ควรหรือว่าไม่ไม่ยอมประพฤติปฏิบัติก็ผิด และสิ่งที่ทรงแสดงว่าไม่ควรแล้วเราไปเข้าใจควรแล้วเราไปพืดื้อปฏิบัติก็ผิดก็ผิดทั้งสองอย่างแล้วก็กลายเป็นอาบัติอาบัติแปลว่าความต้องหรือการล่วงละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและข้อที่ไม่ทําตามข้อที่ทรงอนุญาตก็เรียกว่าอาบัติแล้วก็มีโทษดลังกันลงไปนะสมมติว่าทรงแสดงคืออย่างที่บอกไว้ว่ามันไม่ถึงก็ห้ามต้งๆ ว่าห้ามไม่ให้ฆ่าคนห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ห้ามไม่ลักทรัพย์มันไม่สั่งขนาดนั้นนะแต่ว่ า, วาพิกูจนฆ่าสัตว์เนี่ยต้องอบัติปฏิตีฆ่ามนุษย์เนี่ยต้องอบัติปราชิกถือสิ่งของที่เจ้าของก็ไปได้ให้ราคาตั้งแต่ห้ามาโศขึ้นไปเนี่ยต้องอบัติปราชิกไอ้นี่ย เ, เป็นบทลักษณะไม่ควรทีนี้ถ้าท่านไปทำเข้าวก็ต้องอบัติ อา บ, บัตรงนี้ก็ต้องสึกคือหมดสภาพความเป็นพระจะเรียกว่าสึกไม่ได้นะเพราะท่านหมดความเป็นพระตั้งแต่ในขณะที่ละเมิดแล้วแล้วต่อจากนั้นแม้ท่านจะกระทําอะไรในเครือของปราชิกสี่อีกมันก็ไม่เป็นอา บ, บัตแล้วนะเพราะท่านไม่ใช่พระแล้วมันก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็จะเป็นบาปในกรณีที่มันเป็นบาปก็เป็นบาปทั้งนั้นแหละแต่หมายความว่าปบางอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ช่นว่าพิสูจน์เสดเมถุร์นี้ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ว่ามาเป็นบาปแล้วก็หมดสภาพความเป็นพระท่านก็ต้องออกไปเป็นค า, าราะเขาก็เป็นอะไรนะเป็นค า, ารวะเนี่ยรักษาศีลห้าก็ไปได้แล้วประการต่อไปนั้นเรียกว่าอสัอภิสมาจาริกศีลคือความประพฤติชั้นสูงมันมาลาักษณะเป็นนีทเป็นสมบัติผู้ดีนะ เป็นะบัทพูดดีจะนั่งยังไงจะอาบน้ํำยังไงอุปพุทธเจ้าสอนละเอียดมากเลยจะแปลงฟันยังไงจะถูตัวยังไงจะอาบน้ําอย่างไรนะจะเก็บผ้าเก็บผ่อนยังไงจะวางบาทย่ังไงสอนจังเลยนะคือไม่มีใครสอนเรื่องห้องน้ำ น, นะนะผู้เจ้าสอนถึงวิธีใช้ห้องน้ําวิธีการถ่ายการถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะนี่ทํำยังไงสอนละเอียดมากๆเลยนะหมายความว่าเป็นการสร้าง สร้างสังคมขึ้นมาสังคมหนึ่งเพราะว่าพระสมเรานั้นเป็นลูกร้อยพ่อพันแม่นะมาจากแหล่งต่างๆกันก็สนุกดีนะแต่ว่ามาปรับเข้าหากันโดยเกณฑ์ทางพระวินัยกับพระธรรมการเคี่ยวอาหารการกินอาหารเราจะเห็นว่าอย่างสมบัติผู้ดีที่เจ้าปัญญาพระเสด็จเรียบเรียงเดี๋ยวถ้าเราอ่านดูก็ไม่มีอะไรนะฮะจริงมันเป็นเซกียวัต ในหนังสือโนโกวา่าคือในพระวินัยวิโดกนันแหละในพิกขุวิพังพระวินัยวิโกเล่มสองต่าง ก, ก็มาย่อไว้หนังสือโนโกวา่าก็กลายมาเป็นสิบัติพุดดีเพราะว่าวิถีสังคมไทยเนี่ยถ้าเราศึกษาดีแล้วมันมีพวก อ, อภิสมาจารยอยู่นี่อยู่เยอะทําให้การปฏิบัติในแนวนี้สาหรับคนไทยกุลบุตรไทยที่อยู่ในวิถีสังคมไทยนะฮะจะไม่รู้สึกลําบาก จงไม่สึกดืดร้อนอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสลับซับซ้อนรลองสังเกตว่าคุณบุตรคุณบุตรหรือว่าพวกทหารตำรวจซึ่งมันมีพวกนี้อยู่เยอะแล้วนะเป็นฐานเยอะแล้วแล้วพวกนี้เอามาบวชเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาในการควบคุมในการดูแลการ ป, รปฏิบัติ เพราะเพราะว่ามันปรับเข้าหามาตั้งแต่ต้นแล้วก็ปรับเป็นฐานไว้ตั้งแต่ต้นแนวที่หนึ่งแนวแนวต่อไปคืออธิพรมมจริกราศีลก็คือศีลที่ทรงบัญญัติที่มาในประปาฏิโบกทั้งหมดอันนี้หมายความว่าเป็นการจำแนกประเภทของศีลแล้วก็ศีลที่ญาติโยมปฏิบัติจริงๆนะก็อยู่ในในปาติโมกเนะ่พูดง่ายๆก็คือศีลอะไรละ่ะศีลห้าก็คือปาาชิกสีนั่นเอง เปียนแต่ว่าสลับข้อกันนิดหน่อยแล้วข้อหนึ่งก็คือเข้มข้นขึ้นต่อเทียบศีลแปดแล้วค่อนข้างชัดนะฮะสีข้อเี่คนข้างชัดแต่ว่าสลับข้อเหมือนกันเปลี่ยนแต่ว่ากฎเกณฑ์ในการปฏิบัติสำรับชาวบ้านเนี่ยมันต่างกับพระอยู่คือชาวบ้านล้วเมื่อศีลอย่างเดียวกับพระเนี่ยมันไม่ขาดจากความเป็นชาวบ้านแต่มันขาดเฉพาะศีลแล้วก็ต่อใหม่ได้ แต่ถ้าพระไปละเมิดเนี่ยมันขาดจากความเป็นพระแต่ก็ไม่ขาดจากความเป็นคนนะฮะแล้วก็ต่อใหม่ไม่ได้นั่นคือจุดต่างก็หมายความว่าครองเพศเป็นคารวาสประพฤติปฏิบัติไปก็เป็นว่ากันแต่อยู่ในเพศของของพิสุไม่ได้เพราะมันเป็นอาธิพรหมจริยากะศีลคือศีลที่เป็นเบื้องต้นเป็นฐานรองรับของการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่สามนันก็เรียกตามลักษณะการงดเว้นซึ่งก็ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าโดเห็นปริยายในยะของการบัญญัติแล้วการเรียกขานแล้วก็สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมันแตกต่างกันเนี่ยวิรติสีนคือการงดเว้นเพราะสีที่เป็นเป็นจาริตสีเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นวาริตสีนะนะ คือม ง, งดเว้นอยู่แล้จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือว่าสิ่งของที่เจ้าของก็้าไปได้ง่ายให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณีที่การงดเว้นอย่างนี้มันก็มาจากสามกระแสอย่างกล่าวก็คืองดเว้นด้วยจิตสำนึกด้วยมโนธรรมสํานึกของตัวเองงดเว้นด้วยการสมาทานงดเว้นด้วยการตัดขาดไป อาวิระติศีนคือไม่งดเว้นเด็ดขาดแต่ว่าเจตนาเาเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าในขณะนี้เรานั่งฟังธรรมะเราไม่ได้สมาธิหรือว่างนั่งไว้พระสดมดนท่านสาวชนเคยสังเกตว่าตรงนี้ที่จริงมันเป็นศีเป็นศีนเป็นสมาธิเป็นปัญญาระดับเด่นอาการที่เด่นน่ยคืออาการของศีลเพราะว่ากายปกติวาจารปกติในตอนนั้นเนี่ยเราไม่กล่ราวร้ายไม่ทําลายใคร แต่ไม่ใช่จะพยุงกับดนั่งตบยุงนะคือหมายความว่าก็สวดบุญปกติธรรมดาไม่ได้เจตนาจะให้เป็นศีลคือไม่ถึงกับงดเว้นแต่อากาศเนี่ยมันเป็นศีลเพราะอะไรเพราะมีการสํารวมระวังที่จะสวดบนุญเป้าประสงค์ในการทําขนาดนั้นมันก็เหนือศีลไปมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางศีลอีกคู่หนึ่งเขาเรียกว่าวิสิตศีล คือศีลแต่ไสยตนาและทิฏฐิเช่นรักษาศีลด้วยความอยากอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่ไรก็บอกว่าเออคนรักษาศีลจะบังเกิดในสวรรค์เป็นเทพบุตรมีเทพติดาห้าร้อยอะไรแต่ไรเนี่ยก็รักษาแต่รักษาเป็นรูปต้องการผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งก็เป็นปกติธรรมดานะสามัญชนเราก็ มักจะต้องหาคำตอบมันได้อะไรก็ได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ประโยชน์ท่านก็ไม่ทำในอการปฏิบัติในแนวนี้สมรัตสามัญชนทั่วไปแล้วปกติเราเห็นว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์พระเวสสันดร น, นะท่านรัศาศีลท่านก็อธิษฐานเพื่อสัพพยุตยานไปไกลนะก็มุ่งผลไปสู่ไกลท่านจึงเรียกอีกระดับหนึ่งว่าอ น, นิสิตศีล คือศีลที่ไม่ใช่รักษาด้วยตัณหาแต่รักษาด้วยปรารถนามุญผลนิพพานเป็นเป้าหมายซึ่งก็หมายความบนเส้นทางของการอาศัยนั้นท่านใชยกับา่ตต า, าตัณหางนิ์สาทะตัณหาปหาตะปาเพื่ออาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาตัณหาจึงมีลักษณะเหมือนกับยานปาณะสมบ์อาศัยขัมฟ้า แต่พอถึงฟังแล้วเราก็ต้องทิ้งเหลือนะทิ้งงผ่านหน้าตรงนั้นแม้นก็ขึ้นฝังไม่ได้แต่ทีนี้ก็เห็นความแตกต่างกันถ้าเรียกว่าฉันทะเป็นธรรมฉันทะคือความพอใจความยินดีในธรรมแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติมีการมุ่งหวังนิผลนิพานเพราะงั้นสีละบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยมนจะมีลักษณะเป็นอนิสิตศิน คือสีนที่มุ่งผลสู่นิพพานก็ เ, เรียกว่ามีนิพพานเป็นยอดแต่แน่นอนว่าตอนตอน้ตนๆมันก็ไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าจะต้องสะสมอ บ, บรมพัฒนากันไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ทําให้ใกล้นิพพานเข้าไปเดยทั้งหมดมันก็ขับเคลื่อนจิตวิญญาณของมนุษย์ใกล้นิพพานทั้งนั้นแนะ่ะแต่ว่าใกล้มากหรือใกล้น้อยทีนี้ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่า เป็นการลปริยัติศีลเราไม่เคยคุณ น, นะฮะคือศีลที่บุคคลสมธ า, านจํากัดเวลาเช่นอะไรล่ะจะรักษาศีลบุสดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณนะเวลาวันนี้หมายความมาระหว่างวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจากจุดตรงนี้ไปเนี่ยจะรักษาบุตสดศีลแต่ท่านฟังเคยสังเกตไหมว่าเรารักษาศีลจริงจริงเนี่ย ตอนรลางวันก็ตกประมาณหกชั่วโมงสิบแปดนะนะแล้วในตอนกลางคืนก็ประมาณสิบเอดชั่วโมงครึ่งนะตีห้าครึ่งเนี่ยก็เห็นหลายมือใหญ่แล้วก็กินข้าวได้แล้วก็ไม่ใช่วันหนึ่งอนะ่ะไม่ใช่ยี่บสี่ชั่วโมงพอเราสมาทานศีลบวชสดเนี่ยทำวัดต่างๆก็ตกประมาณสักสี่โมงเช้าแล้วก็ยังเวลาที่จะรับประทานอาหารในอิ่มแปรยังไงก็ได้อีกสองชั่วโมงนะนะคือจนถึงเที่ยงวัน แล้วก็บางวันบางฤดูเวลาเที่ยงจริงเนี่ยอาจจะเลยไปอาจจะเลยไปถึงยี่สามยี่สี่นาทีก็ได้นะฮะเราสามารถจะตรวจสอบกับปฏิทินมังกรราติยาไหลาได้ว่าวันนี้เที่ยงจริงนี่เท่าไหร่ในจังหวัดอะไรด้วยนะในจังหวัดอะไรโดยมันจะมีเกณฑ์นในการบอกอยู่ตอนเที่ยงจริงในแต่ละส่วนของโลกนี่ไม่เหมือนกันในเที่ยงวันของเราอาจจะเป็นเที่ยงคืนของอเมริกาบางจุดก็ได้ ก็แล้วแ ต, แต่ว่าชี่ยงตรงไหนก็เชี่ยงตรงนั้นกันนั้นก็แสดงว่ามันมีเวลาจำกัดเท่านั้นเท่านี้ในช่วงตรงนั้นถ้าท่านรักษาได้ก็ถือว่าเรียบร้อยแต่อีกแนวหนึ่ง น, น, นั้นเขาเรียกว่าอาอาปาณโกติกรสีนคือสีนที่รักษาจนกว่าจะสิ้นลมปราณอันนี้เอาจริงมากเลยตราบใดที่ยังไม่ตายนะจะรักษาสีให้เต็มที่บริสุทธิ์ปรเจตขนาดไหนก็ไม่รู้ คือก็อย่าไปคาดหวังนะฮะว่าเราจะต้องบริสุทธ์หมดจดได้เลยทีเดียวมันเป็นเรื่องของการฝึกปลืออบรมบ่มนิ ส, สัยสีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอนาเทศนาเป็นคำสอนที่กำหนดโทษเอาไว้มีลักษณะค่อนไปทางกฎหมายถ้าหากว่าเป็นบ้านเมืองก็คือเป็นกฎหมายไปแล้วแต่เราเป็นศาสนาเราใช้แบบกฎหมายไม่ได้เราไม่ใช่ไปยึดกุมอานาจรัฐเอาไว้ แล้วก็แม้แต่บรรดาเป็นศีลแล้วเราจะเห็นว่าในบางกรณีเนี่ยพระเจ้าทรงอนุมัติเอาไว้เขาเรียกว่าราชาดังนวัดติตุงเขยคล้อยตาบ้านเมืองอย่าไปขัดขวางกับบ้านเมืองไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราอ้างศีลและเราอ้างความเป็นพระแล้วแต่มันขัดกับความเป็นพลเมืองมันไม่ได้เพราะก็ต้องอนุวัตตามเขาเรื่องบางเรื่องเนี่ยจึงมีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรแต่เรื่องจะไม่ใหญ่นะ เรื่องจะไม่ใหญ่เช่นเวลาเนี้ยพระเราถ้าใช้พัดพระที่มีสมณศักดิ์นะพอใช้พัดแล้วก็งานหลวงเนี้ยมายคางานหลวงให้นั่งตามลําดับสมณศักดิ์แล้วก็ถ้าสมณศักดิ์ชั้นเดียวกันก็นั่งตามเวลาที่รับใครรับก่อนคนนั่งก็อนั่งก่อนมันก็ล้อโครงสร้างของการบวชก่อนบวชหลังแต่ว่ามันก็ชักจะเหลืองเจื้องหลือแมวมากไปหน่อยตอนเนี้ย คือว่าแม้แต่ไม่มีพัดนะฮะพระสมณศักดิ์สูงสูงชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมก็ชักจะเกิดอัตราใหญ่ขึ้นมาก็าไปนั่งเหนือพระเถระผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ยอมด้วยนะคือยอมมันก็นั่งแล้วก็ผลักดันเขามาก่อยเรื่องยุ่งนะคือนึกว่าคณาสงฆ์ต้องทบทวนน่าจะออกมาเป็นกฎเกณฑ์ระเบียบให้ ย้อนกลับไปสู่หลักการของมารทำบิดนาว่าถ้านั่งตามลำดับไม่มีพัดหลวงอย่างที่วัดบวรนิเวศนี้หารนี่พวกเราไม่เคยตัใจอะนะวา่าถ้าถึงคราวที่ไม่มีพัดเราก็นั่งตามพรรษาบางทีพระครูเนี่ยขึ้นนั่งหน้าราชาคณะชั้นอิ ร, รันยาบัตรเลยก็ไม่จะพาอะไรก็ท่านถ้าแก่กว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็นั่งขบวนไปแต่ว่าถึงพัดก็มันเป็นเรื่องจะต้องคล้อยตามบ้านเบืองเพรา ะ, ะนั้นเราก็ต้องยกมือไหว้ทันแล้วก็ไปนั่งผิดไม่ได้นะฮะพัดเนี่ย ผู้เจ้าหน้าที่นี่เขาจะรู้เขาจะละเอียดมากขาจะเตือนเลยก็บอกให้ไปนั่งให้ถูกต้องอันนี้ก็คือคือแนวที่เราจะเห็นว่าเป็นการรักษาทั้งสองสถานะคือฐานะที่เราเป็นภิกษุสามเณรด้วยในฐานะที่เราเป็นราษฎรด้วยแล้วภาศีแบบเนี้ไม่ได้หมายความว่ า, มาเจ้าจงเฉพาะพระอย่างว่าท่านสาธุชนที่สมาทานศีลเอาศีลห้าเนี่ยนะ แล้สมาทานในแนวที่เรียกว่าจนกว่าจะสิ้นลมปราณรักาสีลด็ดเดี่ยวหนักแน่นมั่นคงเป็นชีวิตที่อบอุ่นนะเป็นชีวิตที่อบอุ่นมากแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านนะ่ะมันตัดไอรุงรังอะไร อ, อะไรออกไปได้เยอะเลยนะแต่ถ้าว่างๆรักษาศีลแปดสบ้าง ปัญหาต่างๆที่มารง ม, มาตุ้มแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มความสูญเสียอะไรต่อะไรเนี่ยมันจะประหยัดไปเยอะนะเพราะศีลที่จริงมันไม่ใช่เรื่องของสังคมอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของศีลอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเศรษฐกิจเป็นสังคมเป็นการเมืองเป็นความมั่นคงเป็นวัฒนธรรมมันเป็นหมดเลยในในศีลเนี่ยเราวิเคราะห์ดูเด็เอาศีลข้อที่หนึ่งมาวิเคราะห์ข้อเดียวก็ได้สั่งหลายหน้ากระดาษแล้ว ไม่ดูที่มุมองแต่เดียงเพราะโลกเนี่ยมันมีอะไรลราเขาเรียกว่ามีเรากับสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยเราหรือตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องโดยตนภาษาสมมตินะครับตนกัะสิ่งทเกี่ยวเนื่องโดตนเพราะคนอื่นก็คือเขากับสิ่งเกี่ยวเนื่องโดยเขาเราก็คือสิ่งเกี่ยวเนื่องโดเราก็จบแล้วคนในโลกนี่นอกจากเราก็คือคนอื่นนอกจากคนอื่นก็คือเราทรัพย์สินทั้งหลายนอกจากของเราก็คือของคนอื่นนอกจากของของคนอื่นก็คือของเราจบแล้วมันก็เกิดเป็นการสํารวมระหว่างเป็นการระมัดระวัง มาให้มีการร่วงระเมิดสิทธิของการละกันนั่นคือหลักการขอ้อสีก็คือเคารพสิทธิของการละการนั่นเองรัฐมนมนก็เรายัางเพิ่งมีเลยทําไปนะมาตรารสี่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่รู้หมายความวม่าไงกันนะแล้วก็สิทธิเสรีภาพย่อมในหลักการคุ้มครองอะไรสิทธิกับเสรีภาพอิเสรีภาพอย่างที่จริงถ้าคุ้มครองสิทธิมันก็เป็นเสรีภาพอย่าดี หมายความไม่ล่วงสิทธิในชีวิตทรัพย์สินในครอบครัวในการรับความข้อมูลข่าวสารคนก็ได้เสรีภาพอยู่แล้วมันไม่ต้องพูดมากก็ได้บางครั้งบางคราวมันก็เป็นภาษาลิเกไปนะพูดมากคึกมากก็กลายเป็นภาษาลิเกเพราะแนวสีนจึงไม่ใช่เจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วมันก็ครอบคลุมคนที่ใครดีทั้งหลายเอาไว้ข้อสําคัญว่า ในระดับผู้ทั่วไปแม้จะรักษาด้วยตัณหาก็ไม่ได้ว่ากันนะโดยจริงตัณหาจะตัดขาดแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ว่าเราต้องใช้มันเป็นเครื่องอาศัยอย่าให้มันเป็นนายแกเรียกว่าเป็นนายตัณหาแล้วก็ใช้ตัณหาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนจิตวิญญาณของเราให้มีความประณีตขึ้นบนในวิถีแห่งศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ทั้งฝันทงอะไร แต้โลกระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกำนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี